Namo tasa pakavato arhato sama sambut tasa Namo tasa pakavato arhato sama sambut tasa pakavato arhato sama sambut tasa Ayom nang tam sebaid nang, nang korko, korko, pon Darabandaja jom การสวดคุณของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นการสาธยายการเอ่อสวดพระพุทธมนต์นั้นก็เป็น เจริญพุทธานุสติกรรมฐานคือการที่เราระลึก ฟังธรรมะก็เป็นการฟังคําสอน ซึ่งธรรมะหรือว่า 3 ปิฎกด้วยกัน 3 ปิฎกนั้น จาก 84,000 พระธรรมขันธ์เป็น 3 ตะกร้าคือมีเอ่อ 1 หรือว่า 1 แล้วสุตตันตปิฎก 1 แล้วก็พระ 1 ซึ่งใน ก็เป็นการๆมีทั้ง 5 นะ 8 ศีล 10 อ่าศีล ที่เมื่อพระองค์ได้ทรงบัญญัติพระๆเอ่อ แสดงตอนหน้าสงฆ์อ่าที่เราแสดงเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องข้องดเว้นหรือว่าสิ่งที่เป็นโทษต่างๆ นะถึงเอ่อสิ่งที่ เป็นหลักธรรมที่แสดงเอ่อถึงจิตเจตสิกรูปและนิพพานคือเป็นธรรมะชั้นสูงเรียกว่าปรมัตถธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้ารวมแล้วเป็น 80,000 4,000 พระธรรมคือแบ่งเป็น ทั้งหมดนั้นในมงคลสูตรนี้ก็เป็นสูตรสูตรทําให้พระองค์แสดงธรรม เหตุปัจจัยนั้นก็มีอยู่ 4 4 อย่างที่จะทําให้ๆที่พระองค์ มาแสดงแสดงหรือไม่การถึงอุปนิสัยของบุคคลต่างๆคือถ้าพระ พระองค์มาจะแสดงธรรมบทนั้นๆนะ อันนี้ก็เป็นการเป็นเหตุปัจจัยที่จะต้องทํา <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นมงคลสําหรับชีวิตมงคล อดีตก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่มาตรัสรู้ หรือไม้ก็จะมีนักเล่านิทานเอ่อต่างๆให้ฟังคนก็จะไปประชุมกันอยู่ธรรมเอ่อที่พักหรือว่าศาลาหน้าเมืองประตูเมืองเหล่านั้นเราก็ให้ทรัพย์กับคนเล่า อะไรคือมงคลเอออะไรคือเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสําหรับชีวิตซึ่งความสุขความเจริญนั้นก็มีต่างๆ แสดงความคิดเห็นต่างๆว่าเอ่อการอ่าได้เห็นก็ว่างามๆสิ่งที่ดีงามจัด จัดว่าเป็นมงคลอ่าแล้วก็ยังมี เสียงที่ไปเรอ้หน้าฟังเป็นเสียงอ่า 2 พวก คนไอ้พวกหนึ่งที่มีรสอร่อยนั้นบุคคลทั้ง 3 นี้เอ่อคือคน มีความเห็นว่า ว่านี้จะเป็นมงคลที่ 3 กลุ่มนี้ก็โต้เถียงกันมาไม่สามารถ เห็นกันใหม่ต่างๆนานาคือพวกที่ไม่มีไม่มีความคิดเห็นตรงกับบุคคลเห 3 คิดค้นว่าอะไรเอ่อเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสําหรับชีวิตชั้นจาตุมหาราชชั้นดาวดึงส์ชั้น ก็มีแต่เรื่องโต้เถียงกันในข้อเท่าไม่มีรู้สิ่งที่เป็นมงคลคือ จะไม่ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นมีใครรู้ข้อมงคลที่แท้จริงไม่ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นอ่าจะเป็น ตั้งแต่มนุษย์ถึงปรมาโลกจนกระทั่งเอ่อ <c oughs> นั้นท้าวสุทถาวรปรหมก็เห็นว่ามนุษย์เทวดาทั้งหลายคิดๆแต่ก็ไม่มีใครคิดได้อ่า <c oughs> อีก 12 ปีข้างหน้าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ขึ้นในโลก เป่ารอเอ่อเป่ารอว่าเมื่อไหร่เอ่อพระพุทธเจ้าปีพระพุทธเจ้าของเราได้เอ่อ คือหาข้อยุติยังไม่ได้อ่าก็พากัน นานพระอินทร์ก็จึงถามว่ามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ ลงมามนุษย์โลกเพื่อมาทูลถามมงคลอ่ามงคล เทวดาจะอยู่ได้ 10 องค์มั้ง 20 องค์มั้งเอ่อปราพวกนี้อยู่ในจิตคือจะย่อจิตให้เล็กขนาดไหนก็ได้เอ่อทําให้ใหญ่ มีเทวดามอบให้เทวดาต้นหนึ่งเป็นผู้กราบทูลถามอ่าพระพุทธเจ้า ได้กราบทูลถามว่าถ้าแต่พระๆอ่าแต่ก็ไม่ มงคล 38 อ่าสูตรที่เรียกมงคล 38 ประการมงคลชีวิต 38 ประการอ่าที่เราจะนิยมนําสูตรนี้ไปๆอ่า คือเราจะใช้บทนี้ที่อ่าเริ่มทําน้ํามนต์นะโม 8 อ่าแต่ตามหลักแล้วเนี่ยเค้า พระได้สวดสาธยายเอ่อมงคลสูตรนั้นมงคลคือข้อ แต่ฤโดมงคลคือจะนํามาซึ่งความเอ่อเจริญรุ่งเรืองสําหรับชีวิตเราหรือว่าการเอ่อสงเคราะห์บุตร พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ๆที่เรานับถือกันอยู่ในโลก นั่นเมื่อไม่มีใครรู้คือเมื่อเราไม่รู้มงคลที่แท้จริงพอใครคิดอะไรได้ ก็จะเอาสิ่งนั้นมาเป็นมงคลคือคนที่มีความคิดนั้นเอ่อเป็นๆเอ่อมีๆเนี่ยทํานายทายทักต่างๆพวก เมื่อเราไปถามอะไรเนี่ยเค้าบอกมาเนี่ยเราก็จะเชื่อนั้นมงคลเหล่านี้จริงเป็นมงคลที่โลกสมมุติขึ้นมาอ่าคือเป็นเป็นความเจริญเอ่อเป็นความเป็น เป็นแต่เพียงสิ่งที่โลกสมมุติขึ้นมาเป็นเป็นมงคลอ่าที่เรียกซึ่ง มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้จิตใจแล้วเนี่ยเราทําดีเวลา เพราะที่เสมอด้วยโทสะไม่มีคือคนที่มีความโกรธเนี่ยเริ่มเคราะร้ายทันทีจะมี เราแสวงหากันอยู่ในโลกก็เป็นมงคลหรือว่าเป็นความดีโดยๆเราก็ต้องหาวันที่เป็นมงคลอ่าเวลาที่เป็นมงคลเลือก มงคลสมรดเราก็ต้องไปหาฤกษ์หายามต้องไปตรวจดูอ่าอะไรต่างๆให้มันเป็นมงคลให้มันดีงามเพื่ออ่าที่ ไม่ใช่ว่ามันจะดีเสมอไปอ่าบางคนเอ่อ บางทีก็ทําให้ต้องเสียหายเสียๆอ่าที่เรายกย่องส่งเสริมเวลาที่เราจะทํากิจกรรมอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปหาเค้าให้เค้าดูฤกดูยามดูวันเวลาอันนี้แล้วแต่เค้าจะพูดอะไรมาเราก็เชื่ออ่าคือเค้าบอกให้ เวลาไหนเป็นวันดีเราก็เชื่อเอ่อเวลาคนว่าเรียนรู้ซึบๆกันมาเชื่อโดยขานหลักเหตุและผลคือขาดปัญญานั่น นั้นมงคลเหล่านี้จริงจะชื่อว่าเป็น 38 หรือว่ามงคลสูตรอ่าเริ่มอ่า 1 คือการไม่คบคน คือถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนได้ดังนี้ความเป็นมงคลหรือความเจริญ อ่าข้อมงคลหรือว่าความดีคนอย่างไรเรียกว่าเป็นคนพาลอ่าคนพาลก็คือ คือตัดเสียสิ้นประโยชน์ในโลกนี้คือจะทําให้ชีวิตของตนเองไม่ อ่าคือเป็นคนเกลียดขานต้องตกต่ําไม่ที่ไม่รู้คือ ไม่รักษาทรัพย์ด้วยปัญญาใช้จ่ายทรัพย์ฟุ่มเฟือยหรือว่ามีเนาะทรัพย์น้อยแต่ไปคือมีทรัพย์น้อยแต่ไปใช้ทรัพย์มากอ่าชีวิตมัน คนพาลย่อมทำลายเอ่อทำลายประโยชน์ของตนเองทำลายประโยชน์และความสุขของตนๆอปุจจริตๆเหล่า เรียกว่าตัดประโยชน์คือความสุขที่จะเกิดกับตนในชาติ 5 ศีล 8 เหล่า ให้ๆไม่ประพฤติตนในโลกหน้าในทางที่ดีงามอันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> อืมชีวิตตกต่ําคือการที่ชีวิตเราจะดีจะชั่วเนี่ยอยู่ที่เริ่มจากการคบบุคคล เป็นพาลได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ชักชวนเราไปเอ่อชักชวนเราไปในไปกระทําในทางที่เช่นใด นักเกร็งสุราเค้าก็พาเราไปดื่ม ในปัจจุบันคือทําให้ชีวิตเราเดือดร้อนถึงอ่าชีวิตเราจะจมปลัก เอ่อจมปรรคในความทุกข์เอ่อเราต้องเป็น เอ่อเหมือนที่ได้แสดงแล้วว่าเหมือนพระเจ้าอาชาติศัตรูอ่าไปคบกับพระ อ่าที่คนอื่นอื่นทําไมมีคนเลื่อมใสเคารพนับถือมากมายนั้นตนเองก็อยากจะเป็นใหญ่ แล้วก็แปลงต้นเป็นกุมารน้อยแล้วก็เอาเนรมิตรงู แล้วก็ไปหลวงหลอกชักชวนให้อาชาติศัตรูนั้นปลงมชน เอ่อเลื่อมใสในเรื่องของฤทธิ์อ่าก็เชื่อฟังก็เลยทําตาม นั้นพระพุทธเจ้าอิทธิปฏิหารอิทธิฤทธิ์ต่างๆเหล่านี้อ่าแม้แต่ถ้าอิทธิปฏิหารอ่าอาเทศนาปฏิหาร ที่เหนือความมนุษย์ธรรมดาที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาๆนานาเนี่ยอ่าห่อเหินเดินอากาศได้เดินบนน้ําได้ดํารง นั่นปฏิหาร 1-3 เนี่ยคนเราจะไปเริ่มสายในกับเทศนาปฏิหารคือการดักใจได้เป็นอสัจจันส่วนอนุศาสนีปฏิหาร 2 คืออิทธิปาริหารกับบาเทศนาปริหารนั่นน่ะอันนั้นไม่ได้ช่วยให้เราพ้นทุกข์อ่าคือคนจะ นันดิติธิบริหารไม่ได้ช่วยคนพ้นทุกข์อ่านั้นอ่ามีแต่ความ ก็ทําให้ไม่ประกอบความเพียรอ่าไม่ประกอบความเพียร นั่นเราจะเห็นว่าคนเราไปเลื่อมสายในเรื่องอืมอาชีพไม่ ขอให้ผู้มีฤทธิ์บรรดาลเสียงนู้นสิ่งนี้ให้ ไม่ใช่ว่าจะทําให้คนพ้นทุกข์คนเห็นฤทธิ์แล้วเนี่ยเห็นฤทธิ์ ไม่ใช่อาศัยอิทธิปฏิหารอิทธิปฏิหารทําให้คนหลงงมงายงมงายในเรื่องของ คือคําสอนเป็นอัศจรรย์คือต้องได้ยินได้ฟัง ที่คนฟังแล้วคนฟังแล้วคิดตามตรองตามแล้วนะจะเห็นจริงจะรู้เห็นยิ่งเห็นจริงในธรรมะอ่าที่ตนได้ยินได้ฟังก็ว่าอนุสาสนีบริหารอ่า คิดตรงตามแล้วก็จะมีความเข้าใจอ่าอันนี้ก็ว่าอนุสาสนีบริหารนั้นอนุสาสนีบริหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดแต่คนเราไม่ค่อยสนใจอนุสาสนีบริหารอ่าเช่นก็ไปกัน บางทีแม้แต่ต้นไม้ก็ไปกราบไหว้กันอ่าต้นไม้ๆงอๆไหนก็ว่าเป็นมังกรงั้นเรา อันนี้มีแต่ศรัทธาศรัทธาที่ขาดปัญญาอ่าคือมีแต่ความๆเรา อัมพรัตย์เจ้าที่มีหลักของเหตุและผลแล้วเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีงามเราจะรู้หนทางเสื่อมหนให้ไปสู่ความสันติสุขรู้ข้อปฏิบัติที่จะนํา ได้ยินในฝั่งอนุสาธณีบริหารอ่าก็ต้องอาศัย ก็ตามใบปเทวะทัชชั่วเป็นทางที่ผิดเรียกว่าคบกับ อ่าคือเราเพียงแต่งดเว้นการไม่เข้า บัณฑิตผู้มีศีลประพฤติธรรมเหล่านั้นเอ่อนําความสุขมาให้กับเราในปัจจุบัน อ่าอันนี้เรียกว่าอ่าการที่เข้าไปคบกับบัณฑิตผู้มีศีลประพฤติ อ่าบําณฑิตเค้าก็จะถ่ายทอดสิ่งที่ก็เรียนรู้สิ่งที่ก็ประพฤติประดับมาให้เราเช่นเราไปเข้าไปคบกับผู้มีศีลอ่าผู้มีศีลก็จะชักชวนเรารักษา แก่เราทั้งในปัจจุบันอ่าและในอนาคตข้างหน้าเอ่อนั้นบัณฑิตเค้าก็จะบอก อ่าพบกับโจรก็ชักชวนให้เป็นโจรตัวอ่าที่ 500 อ่าทางทิศ 500 อ่าลูกนกแขกเต่า 2 ตัวนี้มัน ที่อาศัยอยู่ในป่านั้นไอ้นกตัวที่ไปตกอยู่ในหมู่โจรมันก็ได้ยินได้ฟังให้พวกโจรพูดกันแต่เรื่องปล้นเรื่องฆ่าเรื่อง เออนกมันก็ได้ฟังทุกวันมันก็ซึมซาบเหล่านั้นมั้ยอ่าวันหนึ่งมี ไอ้นกแขกเต่านั้น อนกแขกเต่าที่อยู่กับฤาษีเนี่ยเห็นพระราชาเสด็จมาเนี่ยก็พูดจาทักทายเชื้อเชิญด้วยถ้อยคําที่ไพเราะน่าฟังอ่าพระราชาก็ชอบใจอือนกแขกเต่าน่ะที่เชื้อเชิญตนอ่าแล้วก็พูดจาตําหนิติเตียนไอ้นกแขกเต่าที่ไปอยู่กับ อ่าแต่ว่าถูกลมพัดกันไปคนละทิศละทางนั้นเราจะเห็นนะบุคคลไปคบกับบุคคลเช่นใดก็เป็นไปเช่น ไอ้ที่ตกไปในหมู่ของฤาษีก็มีอย่างฤาษีมีจิตใจที่ดีงามมีคําพูดที่ดีงามเพราะมันได้รับการถ่ายทอดในสิ่งเหล่านั้นทุกวันนั้นเราก็เช่นเดียวกัน นักโค้ชกับคนที่มีศีลมีธรรมก็ถ่ายทอดเรื่องการเอ่อเป็นมงคลชีวิตคือเมื่อเราเอ่อเรางดเว้นการไม่คบคนพาล ที่ว่าเหมือนแล้วก็เอ่อเราชวนคนมาวัดเอ่อมาให้ทานเว้นในสิ่ง คืองดเว้นในสิ่งที่เป็นโทษสําหรับชีวิตนั้นไม่ไปทําคือไม่ได้ทําความความเดือดร้อน ความชั่วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะทําความดีอ่าคืองดเว้นในสิ่งที่เป็นโทษเท่านั้นอ่านะ อันนี้เราจัดว่าเป็นเอ่อมงคลชีวิตที่เราจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัตินั้นในมงคลสูตรเริ่ม เป็นข้อมงคลหรือว่าเป็นสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติแล้วความสุขความ เออว่าต้องลงปลูกเรือนนั้นดวงนี้เราจะอยู่สบายวันนั้นวัน เป็นมงคลที่เราสมมุติที่โลก 38 ประการนั้นก็จะแสดงให้บรรดา เอ่อครั้งหนึ่งแล้วในมงคลสูตรนี่ก็มาแสดงซ้ํากันใหม่อ่าในมงคล ไปสู่ความสุขความเจริญนั้นต่อไป ไปคบกับคนพาลคือเราจิตความโลภไปคบกับความโกรธไปคบ <c oughs> ถ้าจิตของเราไปคบกับความโลภไปคบกับความโกรธไว้เป็นเพื่อนกิเลสเหล่านี้ก็ชักชวนเราไปทําชั่วทํา จะแนะนําสิ่งต่างๆให้กับเราอ่าแนะนําสิ่งที่ รู้ช่องทางดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง อ่าบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเรามีพุทโธอยู่ที่ใจ ไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ทําการงานอยู่เราก็ระลึกได้อ่าท่องไว้ได้เพราะลมหายใจมันอยู่กับเราพุทโธอยู่กับเราคือเราจะมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราทํางานแล้วบริกรรม การงานที่เราทําอยู่มันก็จะทําด้วยสติ อ่านั้นท่านจึงว่าเอ่อเรามีพุทโธแล้วเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบาน